บทสวดประจาวันภาษาไทยพุทธังอภิปูชยามิกราบบูชาอย่างยิ่งแด่พระพุทธเจ้ากราบธรรมังอภิปูชยามิกราบบูชาอย่างยิ่งแด่พระธรรมกราบสังฆังอภิปูชายามิกราบบูชาอย่างยิ่งแด่พระสงฆ์กราบ กราบบูชาบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งปวงกราบกราบขอขมาในความผิดที่ทําไว้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงกราบขอนอบน้อมแด่องค์พระพุทธศาสดาผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์พระพุทธศาสดาผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์พระพุทธศาสดาผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐยิ่งอยู่เหนือพรมเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวง เบี่ยมด้วยพระมหาเมตตาบำเพ็ญบา ร, รมียาวนานหลายภพชาติจนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรอบรู้แตกฉานในทุกสรร พ, พสิ่งรู้ความจริงในธรรมชาติทั้งปวงเป็นครูผู้ประเสริฐแสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงชี้แนะนำพาเหล่าสัตว์ออกจากกองทุกข หลุดจากวงเวียนกรรมที่พาเวียนตายเกิดไม่จบสิ้นทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าข้าพเจ้าขอกราบบูชาแด่คุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นกราบด้วยกายวาจาใจหากเคยทํากรรมหน้าติเตียนแด่พระพุทธเจ้ากราบขอขมาด้วยใจสํานึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีต ขอโปรดลดหรือ ง, งดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับแต่นี้จนถึงนิพพานขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระพุทธเจ้าขอน้อมนําคําสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดแจ้งในชาตินี้มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทินพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วเป็นความจริงแท้ประเสริฐเที่ยงตรงต่อการพิสูจน์เป็นสิ่งควรฟังท่องจำน้อมเข้าในใจเป็นข้อปฏิบัติทันยุคสมัยให้ผลได้ไม่จำกัดการ ส่งผลดีกับคนทุกวัยผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นทางแห่งความหลุดพ้นทางสู่ความพ้นทุกทางบรรลุสู่นิพพานการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องเป็นทางเดียวที่สลัดทุกได้ถาวรไม่ต้องเวียนตายเกิดต่อไปพระธรรมมีคุณค่ายิ่งใหญ่ไม่มีความรู้ได้ยิ่งกว่าข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณของพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นกราบ ด้วยกายวาจาใจหากเคยทํากรรมน่าติเตียนแด่พระธรรมกราบขอขมาด้วยใจสํานึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีตขอโปรดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับแต่นี้จนถึงนิพพานข้าพเจ้าขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระธรรมขอบูชาน้อมนําพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐองค์ที่สองของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดารู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดแจ้งในชาตินี้มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทินพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์จนสำเร็จเป็นพระอริยะได้แก่ โสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันเป็นผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยมีศีลบริสุทธิ์เปรียมเมตตามักน้อยสันโดษเป็นผู้ควรกราบไหว้บูชาควรถวายทานเป็นเนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่าพระสงฆ์มีคุณยิ่งใหญ่เป็นเสาหลักดำรงสืบทอดพระาศาสนาเผยแพ่คาสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณของพระสงฆ์ทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นกราบด้วยกายวาจาใจหากเคยทำกรรมหน้าติเตียนแด่พระสงฆ์กราบขอขามาด้วยใจสานึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีตขอโปรโดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับแต่นี้จนถึงนิพพานข้าพเจ้าขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระสงฆ์ ที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐองค์ที่สามของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดารู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดแจ้งในชาตินี้มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทินขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตในดวงจิตวิญญาณ เป็นพลังคุ้มครองปกป้องข้าพเจ้าและครอบครัวจากอันตรายทั้งปวงทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอให้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ทำความดีสร้างกุศลได้เต็มที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งกุศลตลอดชีวิตจนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานด้วยเทินข้าพเจ้าขอตั้งจิตรักษาศีลจะไม่ฆ่ารังแกคนและสัตว์จะไม่ลักทรัพย์เอาเปรียบผู้อื่น จะไม่ประพฤติผิดในการนอกใจคนรักจะไม่โกหกนินทาด่าทอพูดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ดื่มเหล้าเสพยาเสพติดขอข้าพเจ้ามีจิตตั้งมั่นรักษาศีลห้าในทุกภพชาติขอมีปัจจัยพร้อมทุกด้านเพื่อรักษาศีลได้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเมื่อมีเหตุให้ต้องผิดศีลขอให้มีอุปสรรคขัดขวางให้ข้าพเจ้าไม่สามารถกระทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาด กราบขออโหสิกรรมที่เคยทำกรรมหน้าติเตียนแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้ทรงคุณธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลายขอโปรโดลดหรือ ง, งดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะสำรวมระวังและจะเพียรสร้างความดีถวายบูชาขอทุกท่านได้โปรโดเมตตารับและอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งของข้าพเจ้าด้วยเถินกราบ กราบขออโหสิกรรมแก่สัตว์ทุกพบภูมิที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนทำร้ายด้วยกายวาจาใจขออภัยในความหลงผิดที่ผ่านมาบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วและเสียใจในสิ่งที่เคยทำแต่ก็ย้อนไปแก้ไขอะไรไม่ได้หวางเพียงทุกท่านโปรดเมตตาให้อภัยให้โอกาสทำคุณไถ่โทษด้วยบุญกุศลทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทาไวแต่อดีตถึงปัจจุบันและจะทาในอนาคต ขออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเป็นพิเศษขอให้ได้รับทุกบุญก่อนผู้อื่นใดโดยเริ่มจากเจ้ากรรมในเวรอันดับต้นๆไล่ลำดับลงมาขอทุกท่านโปรดเมตตารับและอนุโมทนาด้วยเถิดเมื่อรับแล้วขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีทันทีมีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นแต่หากยังไม่ไปไหน ก็โปรดเมตตาร่วมสร้างบา ร, รมีไปพร้อมกับข้าพเจ้าร่วมสนับสนุนข้าพเจ้าให้มีโอกาสทำดีไถ่โทษแก่พวกท่านให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเถินกราบคำอธิษฐานใดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุทวงความเจริญทางโลกทางธรรมที่เคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว้ขอยกเลิกทั้งหมด ขออนุญาตถอนการบนบาลคำสัญญาใดที่ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครก็ตามแล้วหลงลืมหรือไม่สามารถทำได้ขอโปรโดยกโทษให้ข้าพเจ้าขอทุกอย่างเป็นโมคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสแก้ตัวด้วยการทำทานรักษาศีลทำความดีในด้านที่พร้อมเพื่อทดแทนสิ่งที่เคยสัญญาไว้ขอถอนคาสาปแช่งการตั้งจิตจองเวรผูกอาคาต ขออโหสิกรรมให้กับสัตว์ทั้งหลายทุกรูปนามที่เคยเบียดเบียนข้าพเจ้าขอยกโทษให้ทั้งหมดขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินด้วยเหตุแห่งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาแต่อดีตถึงปัจจุบันขอน้อมเป็นพลังปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตรายและวิญญาณร้ายทั้งปวง ขอจงทำลายความหลงผิดยึดติดลงได้ในเร็ววันนี้ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีตาสว่างในทุกเรื่องสิ่งใดเป็นกุศลขอทำสำเร็จโดยง่ายสิ่งใดเป็นทุกข์อกุศลเป็นเหตุตกต่ำกว่าปัจจุบันเป็นทางสู่อบายภูมิขออย่าให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จอย่างเด็ดขาดเมื่อมีปัญหาขอให้แก้ไขได้โดยง่าย ขอให้มีปัจจัยและสุขภาพที่พร้อมในการดูแลตนและครอบครัวทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้โดยง่ายขอความดีที่ทำไว้จงปรากฏผลในเร็ววันเพื่อเป็นกำลังใจในการรักษาศีลและการทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเทินขอน้อมบุญกุศลอุทิศบูชาถวายแด่พระรัตนตรยัยบิดามารดาปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกรูปนามจากทุกภพภูมิแด่พระและนักบวชรวมถึงเทวดาที่ข้าพเจ้านับถือแด่สมเด็จโตหลวงพ่อพุทธหลวงตาพระมหาบัวสมเด็จพระสังฆราชพระมหาราชทุกพระองค์พระเจ้าตากสินพระนเรสวรพระพุทธยอดฟ้าพระปิยะพ่อขุนรามกรมหลวงชุมพรพระศาสดาและนักบวชผู้สรงความดีทุกศาสนา น้อมกุศลส่งให้เจ้ากรรมในเวรและครอบรครัวของข้าพเจ้าทุกภพชาติแด่เทพเทวาทุกภพภูมิพระโพวทิสัตว์ท้าวมหาราชทั้งสี่อินพรมยมยักษ์คนทันกุมพันนาคอสูนพระภูมิเจ้าที่ในหลวงพระราชินีพระสยามเทวาธิราชเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าทุงเจ้า่าเจ้าป่าเจ้าเขาทหารตำรวจข้าราชการผู้ทรงความดีทุกสาขาอาชีพ เทวดาและวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในน้ำบนบกบนต้นไม้หรือในอากาศก็ดีปีศาจเปรตสัมภเวสีสัพสัตทั้งหลายทุกภพภูมิทั่วหมื่นจักรวาลอนันตจักรวาลขอทุกท่านได้โปรดรับและร่วมอนุมโมทนาขอโปรดอภัยความผิดที่เคยล่วงเกินขออย่ามีเวรต่อกันอีกเลยขออย่าเบียดเบียนซึ่งกันอีกเลย ขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกภัยปลอดจากอากุศลละจิตทั้งสิ้นเทินขอส่งบุญกุศลเป็นพิเศษให้กับเหล่าเทวดามนุษย์และวิญญาณทั้งหลายที่สนับสนุนคุ้มครองและมีเมตตากับข้าพเจ้าตลอดมาขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสุขภาพแข็งแรงการงานมั่นคงรุ่งเรืองด้วยทางที่เป็นกุศล มีความสุขกายสบายใจทุกด้านน้อมส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายได้โปรดรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วยขอจงมีความสุขและโปรดงดโทษให้กับท่านทั้งหลายที่สนับสนุนและคุ้มครองข้าพเจ้าทุกรูปทุกนามด้วยเถิดกุศลใดบำเพ็ญมาแต่อดีตขอรวมเป็นกำลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันด้วยเถิด หากยังต้องกลับมาเกิดขอให้ได้เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีสติมีปัญญาสมาธิอิริโอตปะกทรงศีลบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิประกอบสัมมาอาชีพพึงพอใจการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมีปัจจัยพร้อมสมบูรณ์ทุกด้านในการดูแลตนและครอบครัวในการเผยแพร่ศา ส, สนาและช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่ด้วยบุญกุศลทั้งหมดทั้ ง, ม, งมวลของข้าพเจ้า ขอให้มีพร้อมทุกสิ่งเพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้โดยง่ายในชาตินี้ในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุ